มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมาวักอมาราเทวีปัญหาที่หถามว่าที่ตรัสว่าสตรีได้ขณะดีหรือกำบังดีคงทำเมถุนธรรมจนได้เหตุไรนางอมาราเทวี อยู่ในที่ลับกับชายจิงไม่ทำเมถุนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินทวีบวรคัติยาสุขุมานมีพระราชาองค์การประพาสตรัถามพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้เป็นปฏิสัมพิทาสมเด็จพระสุขตินธราธิบดินมุนินทรผู้ประเสริฐ มีพระพุทธดีกาตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าสภาอิิโยสตรีภาพทั้งหลายในมนุษยโลกนี้แม้นได้ขณะก็ดีได้กำบังก็ดีได้ฟังลมปากก็ดีชายใดเชื้อเชิญเกี้ยวก็ดีสตรีทั้งหลายคงจะกระทาซึ่งการลามกเมถุนจงได้ในที่ลับนั้นถึงจะไม่มีชายรูปงามมีแต่ชายทรมานรูปไม่งาม ตาลงมาที่สุดคนง่อยเปรี้ย ก, ก็ดีถ้าที่ลับแล้วสตรีนั้นก็ย่อมลหลงไหลลามกหมดทุกคนสมเด็จพระทศพลเจ้าตรัสนี้แล้วกลับมีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายนางอมราเทวีเป็นภรรยาของพระมะโหสดบัณฑิตนั้นปาวุฒะปฏิกาอยู่ปราศจากผัวระหนิสิ น, นา เข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่ลับแห่งนายประตูมีชายไปพูดด้วยสองต่อสองในห้องระหโหฐานนางจะได้ประพฤติมิจฉาจาร์การลามกหาไม่ได้จึงวิสัญชาแก้ไขในกระแสพระพุทธดีกาให้วิฐานว่าเมื่อพระบรมโพธิสัตว์พานางอมราเทวีไปจะลองใจนางว่าดีหรือลามกอยู่จึงฝากนางไว้กับนายประตู ให้อยู่ในห้องอันเป็นที่กำบังแล้วสั่งบุรุษที่เป็นคนเจ้าชู้ให้มาสู่สำนักในห้องกำบังนั้นให้เกี่ยวพาผู้จา่านางอมราเทวีนั้นก็ไม่ได้ปลงใจด้วยบุรุษทั้งหลายที่ใช้ให้ไปลองเรื่องราวนี้วิถีฐานอยู่ในมโหสถชาโดกแล้วนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าโยมพิเคราะห์ดูกระแสพระพุทธดีกานี้เป็นสองไม่ต้องกัน ปัญหานี้เป็นอุพะโตโกติจงโปรดวิสันาให้แจ้งก่อนพระหน้าเกษจรจึงถวายพระพรว่ามหาราชบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสตรีจะประพฤติลามกด้วยเหตุสามนั้นก็จริงอยู่เหตุสามประการนั้นคือขณะหนึ่งคือได้ที่กำบังหนึ่งคือชายประโลมเกี้ยวหนึ่ง เข้ากันเป็นสามประการจะแก้ด้วยขณะขณะนั้นคือสตรีได้ขณะอันผู้อื่นไม่เห็นในทีร่ระหฐานและไม่กลัวเขาตีเตียนและไม่คิดเห็นภัยว่านอกใจสามีจะไปตกนรกไม่คิดกลัวภัยดังนี้ก็ชื่อว่าได้ขณะอันหนึ่งสตรีมิได้เคารพรักสามีมิได้กลัวสามีสำคัญว่าสามีรู้ไม่ทัน อันหนึ่งสตรีนั้นใจบาปไม่เห็นซึ่งอริยธรรมไม่มีกิจปฏิบัติสามีจิตสตรีภาพเป็นเช่นนี้ชื่อว่าสตรีขณะครันถึงที่ระหูฐานสองต่อสองกับชายชายเกี่ยวพาแล้วไม่แคล้วที่จะเป็นถ้าไม่มีขณะแล้วมีจิตเป็นอันดีแล้วถึงจะเข้าที่ระหูฐาน ชายจะเกี่ยวพาผู้จารในที่สองต่อสองก็ไม่ได้กระทำทุราจารประการหนึ่งอันสตรีทั้งหลายถึงจะได้ที่รับจากมนุษย์แต่ยังไม่รับจากอามนุษย์เทวดาพูดผีปีศาจ ท, ทั้งหลายอาจเห็นได้ก็ไม่ทุราจารประการหนึ่งแม้จะเป็นเที่ระโหฐานรับจากอามนุษย์ทั้งหลายก็ดีแต่ยังมีบัณฑิต ที่รู้ปรารจิตตวิชาพิจารณาเห็นได้ก็ไม่อาจกระทำเหมือนกันประการหนึ่งถึงที่นั้นจะปราศจากบัณฑิตที่รู้ประรจิตตวิชาก็ดีแต่ไม่เป็นที่ลับพอกระทำความชั่วได้ก็ไม่อาจกระทาประการหนึ่งถ้าได้ที่ลับควรจะกระทำความชั่วได้แต่ไม่ใช่ที่ลับอันจะพึงทำอาศัตรธรรม ก็ไม่อาจกระทํานางอมาราเทวีนั้นไม่ได้ที่รับด้วยเหตุเป็นอันมากดังกล่าวมานี้แม้จะมีบุรุษเกี้ยวพาก็มิอาจกระทำทูลราจารอันหนึ่งเล่าพระมะโหสถโพธิสัตว์สามีนั้นประกอบด้วยธรรมวิเศษอันมีคุณ28ประการสุโรคือกล้าหารประการหนึ่งหิริวา คือมีละอายประการหนึ่งโอตับปวาคือสะดุ้งกลัวบาปประการหนึ่งสะปะัะโคคือเป็นผู้มีฝักฝ่ายพวกพ้องประการหนึ่งมิ ต, ตะสัมปันโนประกอบไปด้วยมิรมีเพื่อนที่รักชอบอัธยาศาัยกันมากประการหนึ่งขโมประกอบด้วยขันติคุณเป็นผู้อดทนประการหนึ่งศีลวาตั้งอยู่ในศีลห้าประการ กำลังศิลคุณคุ้มไว้กันไว้ประการหนึ่งสัจวาทีกล่าวถ้อยคําจริงควรเชื่อหนึ่งโสเจยะสัมปันโนจิตเป็นกุศลประกอบด้วยธรรมอันสะอาดกําลังจิตกุศลคุ้มขังไว้ประการหนึ่งอกโกทโนมิได้พิโรธุธโกรธแค้นเครียดบุคคลผู้ใดประการหนึ่งอันติมานีมิได้รู้ดูหมิ่นล่วงเกินผู้อื่นประการหนึ่ง อนุสุยโกไม่อริสยาบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่ว่าจะมีวิหิงสาอาฆาตจองเวีนใครหาไม่ได้ประการหนึ่งวิริยะวาประกอบด้วยความเพียรประการหนึ่งอายุหะโกสร้างสมพระบารมีประมวลแต่สิ่งอันเป็นการกุศลประการหนึ่งสังหะโกเป็นผู้สงเคราะห์มหาชนประการหนึ่งสังวิภาคี จำน่ายจ่ายทานประการหนึ่งสะคิโลเป็นผู้เจราจาถ้อยคำกลมเกลี้ยงประการหนึ่งนิวาตวุติประพฤติน้อมถ่อมกายอ่อนโยนไม่อหังการมามังการประการหนึ่งสันโโหกล่าวถ้อยคำอันละเอียดอ่อนหวานประการหนึ่งอะสะโถเป็นผู้ไม่โอดอวดเย่อหยิ่งประการหนึ่งอมายาวีมิได้มีเลขกลมารยาคิดที่ว่า จะให้เขาตกยากได้ไร้ประการหนึ่งอภิวุฒินัยสัมปันโนประกอบด้วยความรู้เกินอันเป็นนัยยะแห่งความเจริญประการหนึ่งวิชาสัมปันโนประกอบด้วยวิชาการสารพัดรู้คิดหาทรัพและปลดเปลื้องอันตรายทั้งปวงประการหนึ่งกิตติมามีกิตติศักดิ์ศรีลือชาปรากฏประการหนึ่งหิโต เป็นผู้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลชนทั้งปวงผู้เข้าไปอาศัยประการหนึ่งอุปัติโตเป็นผู้อันชนทั้งหลายปรนานะการหนึ่งธนวามีทรัพย์มากประการหนึ่งยะสวามียศศักประการหนึ่งนี่แหละพระมะโหสถบัณฑิตวิจิตไปด้วยคุณ28ประการปานดังวิสัชนามานีถึงจะมีผู้เกี่ยวพานางอมาราเทวี ก็มิอาจกระทาทุราจาลามุกเมถุนธรรมทางราคะจริตได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปินประชาก็สิ้นพระราชวิมติกังขาสรรเสริญสาธุการแก่พระนาคเสนผู้เฉลิมปราดในการนั้นอมราเทวีปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้